ในโลกนี้มีทรัพสมบัติอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งทรัพย์สมบัติภายนอกสองทรัพย์สมบัติภายในทรัพย์สมบัติภายนอกก็ได้แก่ข้าวของเงินทองต่างๆที่พวกเราหากันมาได้ เช่นเงินทองบ้านที่ดินรถยนต์สิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆนี่เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นทรัพย์สมบัติของร่างกายจะอยู่คู่ไปกับร่างกาย พอร่างกายตายไปแล้วทรัพสมบัติเหล่านี้ก็กลายเป็นของผู้อื่นไปทรัพย์ชนิดที่สองคือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่อยู่คู่กับใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วทรัพย์ภายในนี้ ยังไปกับใจต่อได้ใจสามารถเอาทรัพย์ภายในไปได้แต่ใจไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกไปได้ทรัพย์ภายในจึงถือว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่จิตใจมากกว่าทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายนอกนี่มีประโยชน์กับร่างกายไม่ค่อยมีประโยชน์กับจิตใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาหาทรัพย์ภายในยกันจะดีกว่าหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็หาพอประมาณพอเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมายเกินความจำเป็นพราไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์มากไปกว่านั้นความจำเป็นของร่างกายคือปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย นี่คือทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราควรที่จะมีกันตราบใดที่เรามีร่างกายเราก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่มีทรัพย์ภายนอกแต่เราไม่ควรที่จะมีมากไปกว่านั้นเพราะมีมากขึ้นไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกาย และไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจกับจะเกิดโทษกับจิตใจเพราะจะกลายเป็นภาระกลายเป็นสิ่งที่จะต้องคอยวิตกกังวลห่วงใยทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับจิตใจหรือทำประโยชน์อะไรให้กับร่างกายเลย นี่คือทรัพย์ภายนอกจึงไม่ควรที่จะหามามากเกินไปเอาเวลาที่มาหาทรัพย์ภายนอกมาหาทรัพย์ภายในใจกันดีกว่าเพราะทรัพย์ภายในมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นอย่างมากทรัพย์ภายในนี้ให้ความสุขได้มากกว่าทรัพย์ภายนอก และซับภายในนี้สามารถเอาติดไปกับใจได้เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ต้องออกจากร่างกายถ้าใจไม่มีซับภายในติดตัวไปใจก็จะไปแบบขอทานใจจะเป็นดวงวิญญาณที่อดอยากขาดแคลนหิวโหยเพราะว่าไม่ได้ สร้างทรัพย์ภายในไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่พอเวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปอย่างอดอยากขาดแคลนจะอยู่แบบขอทานหรืออยู่แบบนักโทษถ้าใจนอกจากไม่ได้สร้างทรัพย์ภายในแล้วกลับไปสร้างโทษให้แก่ใจ คือการกระทำบาปต่างๆจะเป็นการสร้างโทษให้กับใจที่จะทำให้ใจจะต้องไปติดคุกติดตารางในโลกที่ต่อไปทรัพย์ภายในนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับที่ยังเสื่อมได้เรียกว่าโลกิยทรัพย์ และระดับที่ไม่เสื่อมเรียกว่าโลกุตระรั์หรืออริยซัพ์นี่คือซัพ์ภายในที่เราสามารถที่จะสัรหากันได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะ มีความสามารถหาทรัพย์ภายในได้ในระดับแรกเท่านั้นคือทรัพย์ภายในที่ยังเสื่อมได้หมดได้แต่ถ้าเรามาอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาสั่งสอนให้กับพวกเราเราก็จะสามารถหาทรัพย์ระดับที่สองได้คือ โลกกุทรัพย์ทรัพย์ที่ได้มาแล้วจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจากใจเราไปนี่คือเรื่องของทรัพย์ภายในที่พวกเราจะไม่รู้จักกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะรู้แต่วิธีหาทรัพย์ภายนอกกัน เราจะไม่รู้ว่าใจของเรานี้ต้องการทรัพย์ภายในมากกว่าทรัพย์ภายนอกเราก็เลยจะเสียเวลาหมดเวลาไปกับการหาทรัพย์ภายนอกหาแบบสุดกําลังเพราะความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการมีทรัพย์ภายนอกมาก จะมีความสุขมากๆนั่นเองแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขทางร่างกายเท่านั้นแต่ทางจิตใจมันกลับทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีทรัพย์สมบัติภายนอกมากเท่าไหร่ยิ่งมีความไม่สบายอกไม่สบายใจมากขึ้นไปเท่านั้น สุขกายแต่ใจจะไม่สุขไปกับการมีทรัพสมบัติมากมายกายกองเพราะเวลามีทรัพสมบัติมากใจก็จะต้องมีภาระมากมีภาระในการดูแลรักษาทรัพสมบัติต่างๆแล้วก็จะมีปัญหาให้ใจจะต้องมาคอยวิตกกังวลอยู่เรื่อย พ่อทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นของที่ไม่แน่นอนมีโอกาสที่จะหายไปหมดไปได้หนึ่งทำให้ต้องคอยระมัดระวังคอยเฝ้าดูแลรักษาแทนที่จะได้รับความสุขจากทรัพย์สมบัติภายนอกใจกลับจะต้องมาวิตกกังวล หรือมาปกป้องรักษาทรัพสมบัติภายนอกที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับใจเลยไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดทรัพย์ภายนอกนี้มีไว้เพียงแต่ให้ร่างกายนี้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่อดอยากขาดแกลนเท่านั้น นี่คือเรื่องของทรัพย์ภายนอกที่พวกเราหลงคิดกันว่าเป็นทรัพย์ที่จะให้ความสุขทั้งกายและสุขทั้งใจแต่ความสุขที่เราได้ทางใจเป็นความสุขที่เดียวเดียวเป็นความสุขแบบควันไฟเวลาเราได้ใช้ทรัพย์ ไปซื้อของต่างๆตามความอยากของเราเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขที่เราได้จากการที่ไปใช้ทรัพย์นั้นมันก็หายไปหมดปล่อยให้ใจเราเวงว่างปล่อยให้ใจเราเกิดความ อยากที่จะหาสิ่งใหม่ๆ ม, มาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆพอหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอจากการที่เราได้ใช้ทรัพสมบัติภายนอกไปหาความสุขให้กับเราเป็นความสุขแบบควานไฟไม่ได้เป็นความสุขที่จะสะสมอยู่ภายในใจ เหมือนกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เวลาที่เราได้มาแล้วมันจะอยู่ภายในใจเราไปเป็นเวลาอันยาวนานถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์ภายในที่ยังเสื่อมได้อยู่ก็ใช้เวลายาวนานกว่าที่จะเสื่อมหมดไปและถ้าได้เข้าถึงทรัพย์ ที่ไม่มีวันเสื่อมทรัพย์ที่ให้ความสุขกับใจก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันน้อยไม่มีวันลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มอยู่ในหัวใจแล้วก็จะเต็มไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คืออริยทรัพย์ เรืโล ก, กุตระทรัพย์ทรัพย์ที่เหนือโลกเหนือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกิยะทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทรัพย์ที่จเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปแล้วถ้าถ้าต้องการก็ต้องกลับมาสร้างใหม่แต่ถ้าได้ทรัพย์ ระดับโลกุตระระดับที่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทรัพนี้จะไม่เสื่อมทรัพนี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันเรียกว่าอาริยทรัพย์ระดับที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันระดับที่สองเรียกว่าสกิรดาคามีระดับที่สามเรียกว่าอนาคามีระดับที่สี่เรียกว่า อรหรันนี่คือทรัพย์ที่ถ้าได้มาแล้วจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวั น, ว, นวันหมดไปจากใจส่วนทรัพย์ที่มีวันเสื่อมนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันคือเทวทัพย์กับพรหมทรัพย์อันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่อริยทรัพย์ได้ เราต้องผ่านขั้นของเทวซั์และพรหมซั์ก่อนถ้าเราได้เทวซั์หรือพรหมซั์เวลาที่เราตายไปเราก็จะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมกันแต่ซั์เหล่านี้จะมีวันเสือ่อมมีวันหมดได้ถ้าเป็นพรหมแล้ว ระยะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเวลาผ่านไปทรัพย์ที่ได้ได้ได้ไดจากการมาเป็นพรหมก็จะหมดไปเมื่อหมดไปก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับเทวทรัพย์แล้วก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับมนุษยทรัพย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาหาทรัพย์ ภายนอกทรัพย์ภายในกันใหม่อย่างที่พวกเราทำกันอยู่ในขณะนี้เราจะหาทรัพย์ภายนอกมากกว่าทรัพย์ภายในหรือมากหรือหาทรัพย์ภายในมากกว่าทรัพย์ภายนอกก็อยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่ว่าทรัพย์ทั้งสองแบบนี้มีความสำคัญต่อ ร่างกายกับจิตใจของเราอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะคิดว่าทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ที่เราต้องหาให้ได้มากๆที่สุดเพราะเราคิดว่ามีทรัพย์ภายนอกมากเราก็จะมีความสุขกายสุขจะสุขใจมากแต่ถ้าเราได้พบกับศาสนา ซึ่งอาจจะไม่เป็นศาสนาพุทธก็ได้ศาสนาอื่นก็สอนให้สร้างทรัพย์ภายในเหมือนกันศาสนาอื่นก็สอนความสําคัญของทรัพย์ภายในแต่ศาสนาอื่นนี้จะรู้รัพย์ภายในในระดับโลกี้ะเท่านั้นคือระดับเทวทรัพย์กับระดับพรหมทรัพย์ แต่จะไม่รู้จักระดับโลกุตตะทรัพย์คือระดับอริยะทรัพย์ระดับอริยะทรัพย์นี้ไม่มีใครจะรู้ได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความสามารถมีพระปัญญาอันเลิศที่จะสามารถค้นพบโลกุตตะทรัพย์ได้ศา ส, ส, สดราของศาสนาอื่น มีความสามารถเพียงแต่ที่จะค้นพบ เ, เทวาทรัพ์และพรหมทัพเท่านั้นศ า, าสนาอื่นก็มีการสั่งสอนให้ผู้นับถือศาสนาอื่นนั้นให้สร้างทรัพภายในกันแต่สร้างได้เพียงระดับเทวาทรัพกับพรหมทรัพ อะไร ว, วิธีใดทำให้เราสร้างเทวซับขึ้นมาสร้างพรหมซั์ขึ้นมาสร้างอริยะซั์ขึ้นมาก็มีวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนการที่จะสร้างซั์ภายในได้ขั้นที่หนึ่งต้องละการกระทาบาปทั้งปวงและอบายามุขต่างๆเพราะว่า ถ้าทำบาปน่จะไม่ได้ไปรับเทวารัพย์กันเพราะทำบาปนี้เป็นการไปก่อคดีไปสร้างปัญหาให้กับใจที่จะต้องไปชดใช้คดีที่ได้กระทำไว้จะไม่ได้ไป ส, สวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคล ดังนั้นผู้ที่ต้องการสร้างทรัพย์ภายในสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือให้รักษาศีลห้าให้ได้ให้ละเว้นอบายามุกต่างๆให้ได้คือการดื่มสรุราเล่นการพนันการเที่ยวเตรการครบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรและความเกลียดคร้าน การกระทาเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะดึงให้จิตใจต้องไปทำบาปต่อไปเพราะอบายามุขนี้ไม่ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เดี๋ยวเงินทองที่มีก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ไม่มีงานทำไม่มีอาชีพสุดจริต ก็ต้องไปหาเงินทองด้วยอาชีพทุจริตไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์มาเสพอบายามุกต่อเพราะอบายามุกนี้เป็นยาเสพติดเป็นสิ่งเสพติดถ้าเสพอบายามุกแล้วมันจะติดเวลาที่ไม่เสพนี้จะมีความทรมานใจ มีความกังวนกัวายมีความมือไม้สัน่นใจสัน่นต้องไปเสพอบายามุกถึงทำให้อาการกังวนกวายกระสับกระสายนี้หายไปพอไม่มีทรัพย์ที่จะไปเสพอบายามุกก็เลยจะต้องไปทำบาปกันพอทำบาปนะใจก็สร้างโทษขึ้นมาสร้างคดีความขึ้นมา ตายไปก็ต้องไปรับโทษในอบายแทนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือแทนที่จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรือไปเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรไปเป็นอสุรกายไปตกนรก แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่ไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุกอื่นๆโอกาสที่เราจะไปทำบาปก็จะมีน้อยมากเวลาตายไปถ้าเราไม่ทำบาปเลย เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเลยเวลาที่ร่างกายเราตายไปนี่ใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปบุญก็คือซับภายในนี้เองถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือมันทำบุญอยู่เรื่อย วันทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเพราะการทำบุญทำทานนี้เป็นการสร้างเทวทรั์ในระดับต่างๆนั่นเองถ้าทำมากก็ได้เทวรั์ระดับที่สูงถ้าทำน้อยก็ได้เทวรั์ระดับที่ต่ำนะเทวโลกนี้มีหลายหลายระดับด้วยกันเท่าที่ได้เคยได้ยินมารู้สึกจะมีสิบหกระดับ มีชื่อต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นาดาวดึงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่คือชื่อของสวรรค์ชั้นต่างๆทำไมจึงมีเป็นชั้นต่างๆก็เพราะการทำบุญนี้มีการทำมากน้อยต่างกันไปทำมากก็จะมีความสุขมากทำน้อยก็จะมีความสุขน้อย เทวดาจึงมีหลายระดับเทวดาที่มีความสุขมากกับเทวดาที่มีความสุขน้อยเกิดจากการที่ได้ทําบุญมากทําบุญน้อยและได้รักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์หรือถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้การทําบุญนี้มันมันมากกว่าการทาําบาปก็แล้วกันถ้ายังไม่สามารถ ละการกระทำบาปได้อย่างบริสุทธิ์ถ้าเราทำบุญให้มันมากกว่าการทำบาปบุญนี้ก็ยังจะส่งผลก่อนส่งให้เราเวลาที่ร่างกายตายไปส่งให้เราคือใจของเรานี้ไปเป็นเทวดาก่อนจนกว่าบุญที่เราได้สร้างไว้มันอ่อนกำลังลงหมดลง มมีกำลังเท่ากับบาปที่เราได้ทำไว้ตอนนั้นเราก็ต้องเลื่อนลงมาจากการเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนช่วงไหนที่บุญกับบาปในใจเรามีกำลังเท่ากันใจของเราก็จะมาเป็นมนุษย์ช่วงไหนมีบุญมากกว่าบาปในใจก็จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมกัน ช่วงไหนที่มีบาปมากกว่าบุญช่วงนั้นก็จะไปอบายกันนี่คือสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วทรัพย์ที่เราใช้กับร่างกายนี้เราเอาติดประไปไม่ได้เช่นบ้านช่องที่ดิน ธนบัตรเงินฝากไว้ในธนาคารทองคำแท่งที่ซื้อเก็บเอาไว้หรือเพชรนินจินดาหรือบุคคลต่างๆที่ให้ความสุขกับเราเช่นสามีภรรยาบุตรทธดาญาสนิจมิตรสายสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้ สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือทรัพย์ภายในหรือโทษภายในโทษก็คือบาปที่เราทํากันทัพย์ก็คือบุญที่เราทํากันถ้าเรารักษาศี่ห้าและทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมอทําทานให้มากกว่าบาปเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทวดากันไปอยู่ในเทวโลก เพรเรามีเทวาทรัพติดตัวกันไปนี่คือวิธีสร้างเทวสมบัติขึ้นมาก็คือสร้างด้วยการรักษาศีลห้าละเว้นอบายามุขและทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมอทำมากก็ได้เป็นเทวดาที่สูงทำน้อยก็ได้เป็นเทวดาที่ต่ำํำแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุข ที่มากกว่าระดับของเทวดาเราก็สามารถขยับขึ้นสู่ระดับของพรหมได้พรหมก็เป็นสวรรค์อีกชั้นหนึ่งที่เหนือสวรรค์ของเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะได้สวรรค์ชั้นเทพก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปด หรือศีลส0บหรือศีลสองยิแล้วแต่สถานภาพถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีล8ถ้าเป็นสัมมนเนนก็ถือศีลส0บถ้าเป็นพระภิกษุก็ถือศีลสอง2้อยเข้อถึงจะสามารถมีกําลังที่จะสร้างพรมมารั์ขึ้นมาได้การที่จะสร้างพรมมทรั์นี้ นอกจากมีศีลแล้วศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่แล้ ว, 8, 10, ลวก็ต้องมีเวลามาฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้เข้าสมาธิให้เข้าฌานให้ได้นั่นเองถ้ามีความสามารถที่จะทำใจให้สงบให้เข้าสมาธิเข้าฌานได้ใจก็จะได้รับพรมมารั์ใจก็จะไปสู่ สวรรค์ชั้นพรมซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับรูปประรมกับอารูปประพรมระดับรูปประพรมก็คือสําหรับผู้ที่ได้รูปประชาน4มี4ขั้นรูปประชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4ีฌานนี้ก็คือความสงบของใจความสงบของใจขั้นที่หนึ่งก็น้อยกว่าขั้นที่สอง ขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามก็น้อยกว่าขั้นที่สี่ความสงบน้อยก็มีความสุขน้อยความสงบมากก็มีความสุขมากมนี่ก็ระดับรูปประชานก็จะได้ไปเป็นรูปประพมแล้วถ้าได้สูงกว่านั้นคือระดับอรูปประพรมก็คือต้องได้ระดับอรูปประชาน หลังจากที่ได้รูปประชานสี่แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มให้เป็นอรูปประชานหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ขั้นได้เป็นอรูปประชานสี่ก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าความสุขที่เหนือกว่าระดับของของเทวสา์ของเทวโลกก็คือ ความสุขระดับพรห ม, มโลกเกิดจากการที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่มันรักษาศีลแปหรือรักษาศิญสิบหรือรักษาศีล2ิบแล้วก็ทุ่มเทเอาเวลานี้มาฝึกสติฝึกสมาธิกันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการหาความสุขระดับเทวโลกคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ผู้ที่ต้องการได้รับความสุขของระดับพรหมโลกนี้ต้องละการหาความสุขระดับเทวโลกคือความสุขทางการมคุณห้านี้เองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ยังหาความสุขจากกามคุณห้าอยู่นี้จะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ความสุขระดับพรหมโลกได้ แต่เข้าได้ก็สู่แค่ระดับของเทวโลกแต่ไม่ว่าจะเป็นพรหมโลกหรือเทวโลกเนีเป็นสมบัติที่ยังมีวันเสื่อมได้สมมติถ้าเราตายไปแล้วเราได้เข้าสมาธิได้เข้าฌานได้ตายไปเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมจนกว่า กำลังของฌานของสมาธินี้หมดลงเราก็จะลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วพอบุญที่เราได้ทําไว้หมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาหาทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในยกันใหม่ต่อไปถ้าไม่ลือไม่หลงก็จะมาเน้นในการหาทรัพย์ภายใน พะรู้ว่าทรัพย์ภายในนี้ยั่งยืนกว่ามีประโยชน์มากกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกมีประโยชน์ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่เท่านั้นพอเวลาร่างกายตายไปแล้วถ้าไม่มีทรัพย์ภายในใจก็จะไปอยู่แบบขอทานไปอยู่ในอบายเพราะว่านอก จากที่จะไม่ได้ทำบุญแล้วก็จะต้องทำบาปคนที่ไม่ทำบุญนี้จะไม่ทำบาปนี้ยากมักจะต้องทำบาปกันถ้าไม่ได้ไปเป็นเทวดาไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนแต่ถ้าเราจำได้ว่าชาติก่อนเราได้ทำบุญทำทานเราได้ฝึกสมาธิมา ก็อาจจะมาให้ความสําคัญต่อการทาบุญทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาต่อการนั่งสมาธิเราก็จะกลับมาสะสมมาสร้างทรัพย์ภายในใหม่เราก็จะสร้างได้แค่ระดับเทวทรัพย์กับพรหมทรัพย์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราได้มาพบเราจะได้รู้จักวิธีหาทรัพย์ในระดับโลกุตตะละคือทรัพย์ที่ได้มาแล้วจะไม่เสื่อมหมดไปจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เคยเป็นอยู่โลกุตตะละทรัพย์หรืออริยทรัพย์นี้พอได้มาแล้วจะ สามารถเก็บเอาไว้ได้ตายไปก็จะยังมีทรัพย์ภายในอยู่และแบบไม่เสื่อมถ้ายังต้องกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพื่อที่จะมาสร้างทรัพย์โล ก, กุตละทรัพย์นี้ให้สมบูรณ์ต่อไปต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้น พวกเราถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงระดับอริยทรัพย์ได้คือทัพย์ของพระอริยบุคคลทรัพย์ของพระโสดาบันทัพย์ของพระสกิทาคามีทรัพย์ของพระอน า, าคามีทรัพย์ของพระอาหารหันต์จาเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สอนผู้บอกวิธีสร้างอริยทรัพย์เหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่สามารถสร้างอริยทรัพย์หรือโลกรุตละทรัพย์ได้เราก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับการมาสร้างทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ชั่วข่าวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ ภายนอกหรือทรัพย์ภายในก็ตามยังจะเป็นทรัพย์ชั่วคราวอยู่ถ้ามาเกิดมาสร้างทรัพย์ภายนอกก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีแต่ตายไปก็เอาเงินติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวถ้าไม่ได้ทำบุญเลยในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปก็จะไม่ได้ไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเป็นพรหม แต่อาจจะไปเป็นเปรตเป็นอะไรก็ได้ถ้าไปทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ mm hmm. เช่นบางเศรษฐีบางคนทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เงินได้ทองมามากด้วยการมีอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เอามาขายเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ํำรวย แต่ความร่ำรวยนี้เกิดจากการทําบาปเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตไปเพราะความร่ำรวยทําบาปด้วยความโลภถึงทําให้ร่ํารวยใจก็จะเป็นเปรตขึ้นมาอยู่แบบเปรตไปแต่ถ้ามีความเชื่อในบุญ พยายามทำบุญให้มากกว่าบาปที่ทำไว้ตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในบายได้หรือเวลาจะหาเงินหาทองก็อย่าหาโดยวิธีทำบาปให้ร่ำรวยโดยวิธีสุดริลต์เด็กเลี่ยงการกระทำบาปชนิดต่างๆถ้าได้เงินทองมาแบบที่ไม่ได้ทำบาปก็จะไม่มีโทษติ ด, ตดมาด้วย เวลาตายไปไม่ต้องไปใช้โทษในอบายกันนี่คือเรื่องของทรัพย์สองชนิดด้วยกันที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ส่วนใหญ่จะรู้จากทรัพย์ภายนอกกันแต่ทรัพย์ภายในนี้อาจจะไม่รู้จักกันก็เลยไม่ได้มี ให้ความสำคัญต่อการสร้างทรัพย์ภายในกันมัวแต่สร้างทรัพย์ภายนอกกันและบางครั้งถ้าต้องการทรัพย์ภายนอกมากๆ ก, ก, ก็อาจจะไปทำบาปและก็ไม่รู้ว่าการทำบาปนี้เป็นการสร้างโทษให้กับจิตใจที่จะต้องไปรับโทษต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วคนที่ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนนี้จะคิดว่ า, เ, าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็จะจบไม่มีอะไรตามมาต่อไปไม่มีผลอะไรที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วทําดีก็ไม่มีใครให้รางวัลทําบาปก็ไม่มีใครให้โทษเพราะเมื่อร่างกายตายไป ตามหลักกฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษผู้ตายนะผู้ตายจะฆ่าคนจะทำอะไรพอตายไปเขาก็ไม่จับไปเข้าคุกเข้าตารางก็เลยอาจจะคิดว่าการทำบาปหรือการทำบุญนี้ผลมันจะจบตรงที่ความตายอพอตายแล้วทำความดีก็ไม่ได้ดิบได้ดีทำบาปแล้วก็ไม่ได้รับโทษ เพราะความตายนี้ถือว่าลบทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมดให้เป็นศูนย์คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าตายแล้วศูนย์เพราะไม่รู้ว่าผู้ที่ทำบุญทำบาปนี้ความจริงไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือของผู้ที่ทำบุญทำบาปผู้ที่ทำบุญทำบาปนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราเลยอาจจะไปคิดว่าผู้ที่ทำบุญทำบาปคือร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปก็เป็นร่างกายเองเพราะไม่เห็นว่าผู้ที่สั่งนั้นความจริงแล้วไม่ได้เป็นร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งเราเรียกว่าจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งร่างกายด้วยความคิดต่างๆ สั่งให้ร่างกายทำบุญสั่งให้ร่างกายทำบาบนี้ผู้สั่งนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่เนื่องจากไม่มีรูปร่างหน้าตาถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ฝึกสมาธินี้จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างผู้สั่งกับผู้รับคําสั่งจะคิดว่าผู้สั่งกับผู้รับคําสั่งนี้ เป็นคนเดียวกันเป็นเหมือนกับแฝดสยามนะแฝดสยามนี่เขาไปไหนไปด้วยกันอาจจะคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันแตสมัยนี้หมอเขาสามารถพ่าแยกแฝดสยามออกได้เป็นคนสองคนมีความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างกันไปทำอะไรต่างคนต่างทำกัน อันนี้ก็เป็นเหมือนกันร่างกายกับจิตใจนี้เป็นเหมือนแฝดสยามมันมาติดกันแล้วปัญหาของจิตใจก็คือมองไม่เห็นจิตใจก็เลยจะเหมาว่าแฝดสยามนี้คือร่างกายคือคนเดียวคนที่คิดกับคนที่ทำนี้เป็นคนเดียวกันแต่ความจริงแล้วคนที่คิดคนที่สั่งนี้เป็นคนหนึ่งคนที่ทำนี้เป็นอีกคนหนึ่งคนที่รับผล นีไม่ได้เป็นคนคนรับคำสั่งคนที่รับผลของการกระทานี้คือคนสั่งคือใจนะการรับผลของใจนี้ก็ไม่ได้รับผลที่ร่างกายรับผลในใจคือความรู้สึกสุขหรือทุกนี้เองที่เป็นผลที่เกิดหลังจากที่ใจได้สั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทำบาปแล้วใจสั่งให้ร่างกายทำบุญ ใจก็เกิดความสุขขึ้นมาใจสั่งให้ร่างกายทำบาปใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วความสุขความทุกข์ที่ใจได้ทำนี้มันไม่ได้หายไปหมดทันทีทันใดมันจะสะสมอยู่ในใจจะทำให้ใจมีความสุขหรือมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ความสุขความทุกข์นี้ก็ยังจะอยู่กับใจต่อไปอีกนานกว่าจะเสื่อมหมดไปความสุขความทุกข์ที่ใจได้สะสมไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่จากการทำบุญทาบาปนี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจนี้ไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตไปเป็นนรกกันอยู่ที่การกระทำนี้เองอันนี้ถ้าไม่มีศาสนามาสอน คนทั่วไปจะไม่เชื่อจะไม่คิดว่ามีใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายจะคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันแล้วเมื่อร่างกายตายไปใจก็จะตายไปกับร่างกายจะไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ คือความเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะทําให้คนไม่สนใจกับเรื่องของการทําบุญหรือเรื่องของการทําบาไม่เรื่องของการไม่กระทําบาปกันจะมักจะชอบทําบาปกันเพราะว่าใจนี้มีความปรารถนามีความต้องการสิ่งต่างๆมากมายและการที่จะได้สิ่งต่างๆมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วและมากๆนี้ มากจะต้องทำด้วยการกระทำบาปนั่นเองโลกเหล่านี้จึงมีมีเต็มไปด้วยคนที่ทำบาปกันเต็มไปหมดเห็นไหเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันไหมีข่าวคนนั้นทำบาปคนนี้ทำบาปกันทำไมเขาต้องทำบาปกันเพราะเขาไม่เชื่อบาปเขาไม่เชื่อมีผลตา ม, มานในขณะที่หลังจากที่เขาตายไปแล้วจะมีผลก็แค่ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ ถ้าทำบาปถ้าถูกจับก็ต้องไปรับโทษแต่ถ้ามีเงินทองก็อาจจะซื้อโทษนั่นได้ผออนโทษนั่นได้เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวการกระทำบาปกันถ้าเขาหาเงินได้เยอะๆเวลาถ้าเกิดถูกจับได้เขาก็สามารถทำให้ตัวเขาพ้นโทษได้หรือรับโทษน้อยที่สุดเนีย เพราอำนาจของเงินนี้จะมีความสามารถที่จะทําให้โทษหนักกลายเป็นโทษเบาได้หรืออาจจะทําให้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้คนเลยไม่กลัวการกระทําบาปกันถ้าก็เห็นว่าผลของการทําบาปนี้มีแค่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ถ้าเขารู้ว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วนี่ ผลของบาปที่เขาทำอยู่นี้มันยังมีติดไปกับใจของเขาน่าจะสร้างความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าทำบาปกันแต่อันนี้เขาไม่รู้กันโลกนี้จึงเต็มไปด้วยคนทำบาปกันสาเหตุที่ทำให้คนทำบาปกันก็เพราะว่าตัณหาความอยากที่มีในใจของทุกคนนั่นเอง ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้มาเกิดเพราะความอยากความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายความอยากเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวผลักดันให้คนที่มาเกิดนี้ทำบาปกันถ้าไม่ได้มีถ้าไม่ได้มาเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนา ที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปจะไม่กลัวเรื่องของการทำบาปเพราะคิดว่าหนึ่งทำบาปแล้วอาจจะไม่ถูกจับก็ได้ถ้าไม่มีใครรู้สองถ้าถูกจับถ้ามีเงินก็อาจจ ะ, ะทาให้ไม่ต้องติดไปรับโทษก็ได้อันนี้จึงทำให้คนไม่กลัวบาปกันทาบาปกัน แต่แล้วพอตายไปก็จะต้องไปรับผลบาปแต่ก็ไม่รู้อีกว่าตนเองไปรับผลบาปแต่ขณะที่อยู่ในผลบาปนะั้นรู้อยู่ว่าตัวเองนี่อยู่ในอยู่ในโลกของความทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ได้อย่างไรนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ไม่ได้เป็นร่างกาย ที่เป็นผู้ที่มาได้ร่างกายสาเหตุที่เราต้องมามีร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเพราะว่าภายในใจของพวกเรามีความอยากสามชนิดนี้คืออยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขแล้วก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้มันทาให้ใจเรา ต้องคอยดิ้นหาร่างกายกันอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่ต่อช่วงที่เราไปหาร่างกายช่วงนั้นเราจะเป็นดวงวิญญาณเป็นช่วงที่ก่อนที่เราจะได้ร่างกายเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำไว้ก่อนถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเราก็จะไปรับผลบุญ เราก็จะได้เป็นเทวดาถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลถ้าเรานั่งสมาธิได้ถือศีลแปดได้เราก็จะไปเป็นพรหมกันแล้วพอบุญกับบาปที่เราทำไว้หมดกำลังเราก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อไปจนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราสามารถที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ถ้าเราปฏิบัติทำขั้นสูงกว่าขั้นของพรหมคือนอกจากการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าหรือการรักษาศีลแรักษาศีลสิบรักษาศีลสองยิบนั่งสมาธิเข้าฌานให้จิตสงบแล้วเราต้องมา สร้างปัญญาอีกขั้นหนึ่งมาหาดวงตาแห่งดวงตาเห็นธรรมมาสร้างธรรมจักขุธรรมคือสร้างปัญญาที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราอยากได้กันอยากมีกันว่ามันเป็นโทษกับจิตใจมันสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจไม่ได้ให้ความสุขความสุขที่ได้จากมันเป็นความสุข เพียงเล็กน้อยเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้ถ้าเราหาลาบยศสัรเสริญสุขหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเราได้ความสุขเดียวๆแล้วพอความสุขนั้นหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราศึกษาความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นใจลักเป็นของที่ไม่เที่ยง มีเกิดแล้วมีดับมีเจริญแล้วมีเสื่อมมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้เพราะเราไม่อยากจะเจอความทุกข์นั่นเองความทุกข์มันเกิดตอนที่มันเสื่อมตอนที่มันดับได้อะไรมาก็ดีใจพอเวลามันหายไปมันจากเราไปมันก็ทำให้เราเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเสียใจเราก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจห้ามใจ เวลาอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องคอยบอกว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่พอความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์มันหายไปหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาทันทีที่พวกเรามีความทุกข์กันทุกวันนี้ร้องห่มร้องไห้กันทุกวันนี้ก็เพราะอะไร ก็เพราะการสูญเสียความสุขต่างๆที่เราหามาได้กันนั่นเองเวลาเราเสียเงินทองไปเราก็ทุกข์กันเวลาใครมาขโมยเงินทองเราเราก็ทุกข์กันเวลาใครมาโกงเงินทองของเราไปเราก็ทุกข์กันเวลาใครมาแย่งแฟนของเราไปเราก็ทุกข์กันเวลาที่แฟนจากเราไปเราก็ทุกข์กันเวลาสิ่งที่เรารักเราชอบจากเราไปเราก็ทุกข์กัน แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีอะไรทําให้เราทุกข์นะแต่การที่เราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ก็คือความสงบนี่เองเราจึงต้องมาสร้างความสงบกันก่อนเราจะลองมาฝึกสติฝึกสมาธิ ก, กันก่อน ทำใจให้สงบก่อนทำใจให้มีความสุขก่อนมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแล้วเราถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อเราความจริงไม่ต้องมีอะไรนะเราอยู่ของเราคนเดียวเราก็มีความสุขได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบนิ่งใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราจะไปหาเรื่องมาใส่หัวเราทาไมหาเฮามาใส่หัวเราทำไม สิ่งต่างๆที่เราหามาที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่ยมันเป็นเหมือนเข่ามาใส่หัวเดี๋ยวมันก็ทําให้เราหัวคันนะเลยลองเอาเข่ามาใส่หัวดูเดี๋ยวก็ต้องเกากันทั้งวันลองเอาใครมาเป็นสมบัติของเราดูดูมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกข์เพราะห่วงทุกข์เพราะห่วงแล้วถ้าเกิดเขาจากไปก็ทุกข์เพราะความเสียใจเศร้าโศกเสียดาย นี่คือปัญญาก่อนที่จะเกิดปัญญาได้นี้ต้องเกิดความสงบก่อนพอเกิดความสงบพบกับความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบชดสรรเสริญความสุขที่ไม่ต้องใช้รชูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางความสุขต่างๆได้อยากได้ลาบก็บอก ไม่เอาดีกว่าได้ลาบมาแล้วเดี๋ยวเวลาราบหมดมันจะทุกข์เวลาเสื่อมลาบแล้วจะทุกข์อยากได้ยศก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเวลาเสื่อมยศมันก็จะทุกข์ช่วงนี้กำลังแข่งหาหายศกันนะหาเป็นสอวอเป็นสสกันนี่พวกนี้ไม่มีปัญญาเลยไม่มีความสุขภายในใจเลยไม่มีความสงบภายในใจรับประกัรได้ ทุกคนที่กำลังวิ่งสมัครสอสอสอวนี้นั่งสมาธิไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นถ้าเข้าฌานเป็นเข้าสมาธิเป็นรับรองได้ไม่ไปสมัครให้เสียเวลาที่ไปสมัครกันเนี่อเเห็นว่าได้ยศมาแล้วจะเกะ๋จะโก้เห็นไหมเป็นใหญ่เป็นพระนักท่านขึ้นมาเป็นท่านเป็นเธอขึ้นมา ไปสมัครกันแต่เป็นสอวอ ส, อสอมีเงินเดือนมีค่ารถใช้มีรถใช้มีค่าเครื่องบินฟรีอะไรต่างๆมีก็อยากได้กันแต่ไม่คิดว่ามันกี่ปีกันเดี๋ยวได้ไม่กี่ปีก็พ้นจากตําแหน่งไปก็กลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเดิมพอตกจากลถที่สูงลงมาก็เจ็บเลยถ้าเราไม่ปีนขึ้นไปต้นไม้เวลาเราก็จะไม่มีวันที่จะตกลงมาจากต้นไม้ แต่ถ้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้เดี๋ยวพลาดมันก็ต้องตกลงมาพอตกลงมากระแทกพื้นมันก็เจ็บคนที่หมดหมดยศเมื่อไหร่คนนั้นก็จะรู้สึกซึมเศร้าขึ้นมาทันทีมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าตอนเองไม่มีคุณค่าราคาเสียแล้วอันนี้เป็นเพราะไม่มีปัญญากันไม่มีความสงบกัน คนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องมีความสงบภายในใจก่อนต้องรู้ว่าไม่มีความสุขอันใดที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบค่อนที่จะเข้าสู่โล ก, กุตละธรรมได้จึงต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนต้องได้ฌานได้อัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิแล้วใจจะมีความสุขที น, นี้ใจจะเห็นโทษของความอยาก เวลาอยากอะไรขึ้นมาจะทำให้ใจร้อนขึ้นมาเวลาหยุดความอยากได้ก็จะทำให้ใจหายร้อนก็เลยพยายามหยุดความอยากเวลามีความอยากอะไรโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากเช่นจะเป็นโสดาบันได้ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะนี่คือ สิ่งที่ใจรักและหวงมากที่มาเกิดเพราะต้องต้องการร่างกายนี้เองต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่พอได้สมาธิได้ความสุขจากความสงบแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่จำเป็นแล้วเมื่อไม่จำเป็นแล้วเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะระ ง, งับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ ก็จะเป็นโสดาบันขึ้นมาได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี้เวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ไม่ยอมไม่ยอมให้แก่ไม่ยอมให้เจ็บไม่ยอมให้ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือพระโสดาบันเห็นโทษของการของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอใจเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บได้ก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องมามีร่างกายอีกต่อไป แต่ยังมีความอยากจะกลับมาเกิดอีกอย่างที่ทำให้ดึงให้กรรมมากับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ก็คือความอยากจะเสพกรรมยังอยากจะมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ต้องพิจารณาว่าร่างกายของแฟนของสามีนี่ไม่น่าดูเลยอย่าไปดูส่วนที่น่าดูส่วนที่ไม่น่าดูมีอยู่เยอะเยอะเยะทไมไม่ดู อยู่ายใต้ผิวหนังนี่ลองเข้าไปค้นดูสิพอเข้าไปใต้ผิวหนังนี่ก็จะเห็นเนื้อเต็มไปหมดเห็นกระดูเต็มไปหมดเออเห็นอวัยวะต่างๆเต็มไปหมดเอเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นอวัยวะสมองเห็นน้ําชนิดต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองเอน้ํำสเลดน้ําดีน้ําอุด น้ำปัสสวะเนี่ยอยู่ในร่างกายที่กำลังแข่งแข่งขันความสวยงามบนเวทีโลกกันอยู่ถ้าลองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามถ้าใครไปเป็นกรรมการนี่จะตัดสินว่าไม่มีใครได้รางวัลที่หนึ่งสักคนเพราะไม่มีใครสวยงามเลยถ้ากรรมการนี่ได้ศึกษาเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้ากรรมการเคยมาฟังเทศฟังธรรมที่นี่ อ้างได้ว่าปีนี้จะไม่มีนางงามจั ก, กรวาลโผล่ขึ้นมาเพราะจะตัดสินว่าไม่มีใครสวยไม่มีใครงามเลยมีโครงกระดูกทุกคนมันสวยตรงไหนโครงกระดูกของนางงามจั ก, กรวาลมันก็เหมือนกับโครงกระดูกของขอทานนี่แหละมันไม่ต่างกันหรอกอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้มองกันไม่เห็นกันก็เลยอยากได้แฟนกันอยากมีแฟนกันถ้าไม่อยากจะมีแฟน ไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตัดความอยากจะมีแฟนให้ได้ก็ต้องพิจารณาอาสุภะนี่เองพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายพอเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามทีนี้ก็ตัดได้หมดเลยความอยากที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็จะไม่มีจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ก็ยังไปติดอยู่กับความสุขที่มีอยู่ในใจที่ได้จากธรรมารมต่าง อารมณ์ที่มีอยู่ในภายในใจมีทั้งอารมณ์ที่ทำให้เราสุขทั้งที่มีทำให้เราทุกข์กันแต่เราจะไปติดอารมณ์ที่ให้ความสุขกับเราเราก็เลยต้องไปเจออารมณ์ที่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์จากอารมณ์เราก็ต้องอย่าไปติดความสุขของอารมณ์ที่ให้ความสุขกับเราเราอย่าไปเสพอารมณ์ปล่อยอารมณ์พอเราปล่อยได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ยังต้องมาติดอยู่ในพรมโลกเพราะพรมนี้เสพอารมณ์เสพทำอารมณ์เป็นความสุขแต่พอเราปล่อยวางไม่เสพอารมณ์ได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในพรมโลกไม่ต้องกลับมาเกิดในเทวโลกไม่ต้องกลับมาเกิดมนุษยโลกอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่พนันิพาณแตนพันิพานก็คือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด มีแต่บรล ม, มสุขคือนิพพานังปรลมังสุขขังเพียงอย่างเดียวนี่คืออริยสัพย์ขั้นสูงสุดขั้นที่จะทำให้เรานี้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในกันอีกต่อไปพราเรามีทรัพย์ภายในเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่จะไม่มีวันหมดสิน้นที่จะให้ความสุขกับใจไปตลอด นี่คือท ร, รัพย์ภายในที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้พบกับโลกุตตะทรัพย์หรืออริยท ร, รพัพย์เราจะได้อย่างมากก็ท ร, รัพย์คือพรหมท ร, รพัพย์เท่านั้นที่สูงสุดแต่ก็ต้องเสื่อมต้องหมดแล้วก็ลงไปสู่เทวท ร, รพัพย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างท ร, รัพย์กันใหม่ เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้เราพบแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนการพบเฉยๆนี้ยังไม่เป็นตัวประกันเป็นหลักประกันให้เราได้อริยะัราบกัน เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นว่าเรามีโอกาสที่จะได้อริยทรัพย์แล้วเราได้มาพบกับผู้รู้อริยทรัพย์แล้วขั้นต่อไปเราต้องศึกษาจากท่านแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนท่านสอนให้เราทำทานรักษาศีลให้ภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทำตามได้เดี๋ยวเราก็จะได้อริยทรัพย์ขั้นต่างๆ ไปจนถึงอริยรัพย์ขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้อย่างแน่นอนจินขอให้ท่านจงเอาเรื่องของทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้คือทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ขราโสยะถาสพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวโตอันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุทฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขัง <Hello. S 2> <Hello. S 1> ลลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามต้องการถามก็ขึ้นมาถามที่ศาลานี้ก็ได้มีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านข้อความให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กสามรอยห้าสิบห้าคนครับยูทูบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนครับวิทยาออนไลน์ยี่สิบคนครับผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยยี่บสี่คนครับรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบคนครับอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามฝากถามค่ะถ้าเหลอ ล, ล่วงเกินผู้มีศีลโดย ม, นมนโนนึกเอา จะบาปแค่ไหนคะและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะแต่เป็นเพียงแต่ความคิดนี้ยังไม่เป็นบาปแต่เป็นอกุศลคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดเพราะถ้าไม่ควบคุมความคิดไว้หรือควบคุมไม่ได้ก็อาจจะไปละเมิดทางกายทางวาจาต่อไปก็จะเกิดเป็นบาปขึ้นมาไม่ว่าจะผู้มีศีลหรือไม่มีศีลก็ตาม ไม่ควรไปกระทำร้ายผู้อื่นเขาทางกายหรือทางวาจาแต่ถ้าเพียงแต่เป็นความคิดนี้ยังไม่เป็นบาปแต่ก็ต้องระวังถ้าปล่อยให้คิดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเพ้สติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะไปทําบาปได้ไม่มีคําถามเลยนะออดีไม่มีคําถามเรื่องของความคิดนี้เป็นตัวที่จะทํา ให้ไปทำบุญหรือทำบาปฉนั้นถึงแม้ว่ายังเพียงแต่คิดนี้ยังไม่เกิดผลแต่ก็ต้องให้ความสำคัญเพราะถ้าไม่คิดมันก็จะไม่มีการกระทำตามมาแ้ะมีคำถามว่าถามต่อได้หากเราซื้อปลาดุกที่ตลาดไปปล่อยแม่น้ำแล้วปลาดุกก็ไปกินปลาตัวเล็กๆที่คนอื่นนำไปปล่อยอีกทีเราจะบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกมันเป็นป่าดุกเขาต้องทําบาปตามวิสัยของเขาการเกิดเป็นเดราาัฉาเนี้มันเป็นภพที่ยังต้องทําบาปอยู่จนกว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นถึงจะถึงจะพ้นบาปได้จะไปเป็นสัตว์ที่กินแต่ผักกินแต่หญ้าอย่างนี้ต่อไปก็จะพ้นจากการเป็นเดรัฉานได้ แต่ยังไปเกิดเป็นสัตว์ที่ยังต้องกินสัตว์อื่นต่อไป<ม>ก็ยังต้องกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> ถึงว่าพอไปเกิดแล้วมันมันไม่ใช่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆ <c oughs> กว่าจะพ้นบาปนี่มันต้องรอไปเกิดเป็นเดรัจฉานที่ไม่ไม่ทําบาปก่อน <c oughs> พวกที่กินผักกินหญ้านี่ถึงจะพ้นโทษแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต่อไป หมดแล้วเหนองั้นอย่าประมาทอย่าพยายามอย่าทำบาปพยายามห้ามจิตห้ามใจไว้ว่าทำแล้วไม่ได้ไม่คุ้มเสียได้ทรัพย์ภายนอกแต่ต้องไปติดคุกภายในใจต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปได้ความสุขเดียวๆจากการทำบาปไปขโมยเงินเขาแล้วไปเที่ยวไปกินไปเล่นสนุกสนานเฮฮาเดียวยว แต่โทษที่ตามมานี่มันจะทำให้เราต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความทุกข์ไม่ไม่คุ้มกันพังนา้นพยายามคิดถึงถึงผลบาปที่จะตามมาให้มีฮิริโอต ป, ปะนั่นเองโอต ป, ปะคือความกลัวผลของบาปจะกลัวผลของบาปได้ต้องรู้ว่าผลของบาปเป็นอย่างไร ผลของบาปก็คืออบายสีชนิดนี้เป็นเดลฉานพวกที่เป็นเดลฉานนี่เขาทำบาปมาทั้งนั้นเขาถึงเป็นเดลฉานพวกที่เป็นเปรตก็เหมือนกันเป็นนสุลกายเป็นนรกก็เหมือนกันเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปด้วยสาเหตุต่างกันทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเดลฉานทำบาปด้วยความโลภก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นนสุลกาย ทำบาปด้วยความอาคาตปราบาตโกรธเกียดเครแค้นก็ไปเป็นนรกกันนะคัฉ้นเวลาเกิดอารมณ์เหล่านี้ต้องพยายามระ ง, งับมันให้ได้เวลาเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันมีอิทธิพลต่อการพูดต่อการกระทําของเราเพราะมันจะเกิดผลขึ้นมาในใจของเราทันทีในกรณีที่ เราเป็นคนไข้ไม่สามารถนั่งสวดมนต์ได้นอนสวดมนต์จะได้ไหมเจ้าคะได้ไม่เป็นไรถ้านั่งไม่ได้ก็นอนถ้านั่งได้ก็ควรจะนั่งเพราะว่ามันจะได้ผลมากกว่าเพราะนอนมันอาจจะหลับเร็วถ้านั่งมันจะหลับช้ากว่าการสวดนี้ไม่ได้สวดเพื่อให้หลับสวดเพื่อให้สงบ แต่การสงบนี้มันมีสงบสองอย่างสงบแบบมีสติกับสงบแบบไม่มีสติเวลาสงบถ้านั่งนีมันจะมีสติมากกว่าในท่านอนเวลาสวดมันก็จะมีสติจิตก็จะสงบแบบมีสติถ้าสงบแบบมีสติเราก็เรียกว่าสมาธิถ้าสงบแบบไม่มีสติก็เรียกว่าหลับถ้าหลับก็ไม่มีประโยชน์กับจิตใจไม่ได้ทาให้จิตใจมี อุเบกขาไม่มีความสุขใจงั้นถ้านั่งได้ควรจะนั่งถ้านั่งไม่ได้ก็นอนสวดไปแต่ผลอาจจะได้น้อยกว่าการสวดที่เกิดจากการนั่งคำถามฝากถามค่ะกลางเ็นถามพระอาจารย์ว่าเนื้อคู่มีอยู่จริงไหมเจ้าคะ ก็มีคู่กันทุกคนจะมาถามมีเนื้อคู่จริงไหมจริงไอคนที่เป็นคู่เรามันก็เนื้อคู่ของเราแล้วแหละแหมจะมาถามอะไรเป็นภาพเนี่ยพระเนี่ยไม่มีเนื้อคู่มีแต่โยมอะที่มีเนื้อคู่คําถามจากคุณมนตรีทําไมเราทําดีกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ทําดีกับเราด้วยโจ้คะก็เรื่องของเขาเลยเขาเป็นคนไม่ชอบทําดีเขาก็ไม่ทําดีเท่านั้นเองเราทําดีแล้วาอย่าไปหวังให้เขาทาดีสิ มันไม่ใช่มันไม่มันคนละเรื่องกันเราทำดีเราก็ได้ผลดีแล้วถ้าเราทำดีโดยที่เราไม่ต้องการผลอะไรอยากใครเรามีความสุขแล้วทำดีทำให้คนอื่นก็มีความสุขเราก็ดีใจแล้วปีใหม่เราส่งสอกรอสอนี่เราหวังให้เขาส่งสอกรสอกลับมาค่ะถ้าหวังก็อย่าไปส่งเลยอย่างนี้มันก็ไม่มีมันไม่มีความสุขแล้วส่งไปแล้วส่งมิแต่ส่งไปไม่มีใครส่งมาให้เราเลยนี่มันก็จะรู้สึกเสียใจ เนการทำความดีนี่ต้องทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเนี่ยแล้วเราจะได้ความสุขเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากใครเราต้องการให้การทำความดีคือการให้ไม่ใช่เป็นการรับถ้าเป็นการรับนี่ไม่ได้เป็นการทำความดีเป็นขอทานไม่ได้เป็นผู้ให้เป็นผู้ขอเป็นผู้รับเพราะนั้นเราอย่าไปสนใจเขาดีหรือไม่ดีถ้าเราต้องทำความดีเพื่อให้เรา เพื่อให้เขาดีกับเราเราก็อาจจะเสียใจเพราะเขาอาจจะไม่ดีกับเราหรือว่าเราทำดีน้อยไปขเขาเลยยังไม่ดีกับเราก็ลองทำดีให้มากๆขึ้นไปสิให้เบื่อหนึ่งยังไม่ดีให้แสนหนึ่งดูดีไหมให้แสนไม่ดีลองให้ล้านดูยรับลองได้มันต้องดีขึ้นมาทักวันหนึ่งวะคำถามจากคุณตุกรัชนี ทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรากายคืออะไรเจ้าคะก็ตัวที่มีแต่ความหวาดกลัวนอนหลับก็ฝันลายเกี่ยวกับเรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวต่างๆฝันเกี่ยวกับเรื่องหวาดกลัวไปที่เน่นเจอสิงเสือราสัตว์คอยกัดคอยกินไปเจอไดโนสุน่งไดโนเสาร์ไปเจออะไรสิ่งที่มีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวในเวลาตายไปมันจะฝันไงมันจะฝันแต่เรื่องน่ากลัวพวกอสุรากาย พวกเปรก็จะฝันแต่เรื่องหิวโหวยอดอยากไปละเหเลาล่อนอยู่กลางทะเลทรายน้ำก็ไม่มีดื่มข้าวก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพวกเปรมันจะ เ, เป็นอย่างนั้นไอ้พวกอาฆาตพยาบาทก็เป็นพวกที่ไปฝันอยู่ในสงครามไปต่อสู้กับคนนั่นคนนี้ฆ่าคนนั่นฆ่าคนนี้เขากลับมาฆ่าเราเรากลับไปฆ่าเขาอันนี้เป็นพวกนรกพวกนรกนี้เป็นพวกต่อสู้กันด้วยความโ ก, กรธเกลียดอาฆาตพยาบาท พวกเดลอาชานก็พวกไม่รู้เรื่องรู้ราวทำบาปเพราะหิวทำบาปเพราะต้องเลี้ยงชีพก็เลยไปเป็นเดลอาชานกันคำถามจากคุณชวนพ่อเจมเจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายเราจำเป็นต้องฟ้องศาลเพราะส่งผลกระทบกับเราถ้าเราไม่ฟ้องเราจะเกิดความเสียหายอย่างแรยแรงแบบนี้ถือว่าสร้างเวรสร้างกรรมหรือเราจะบาปไหมถ้าศาลตัดสินว่าเขาผิดจริง เราไม่บาปหรอกแต่เราอาจจะไปทําให้คนที่ถูกรับโทษนี้เขาอาจจะอาฆาตพยาบาทเราได้นั้นก็เรื่องบาปอย่างหนึ่งเรื่องเวรกรรมอีกอย่างหนึ่งเราไม่ทําบาปแต่อาจจะทําให้เขาอาฆาตพยาบาทเราได้เพราะเขาเกิดความเสียหายจากการที่เราไปฟ้องร้องฟ้องศาลขึ้นมา คำถามจากคุณสุภาวดี <c oughs> หนูไม่ลูกแม่อยู่บ้านค่ะแต่แมวมีหมัดซึ่งเห็บกับหมัดได้มากัดหนูและครอบครัวหนูได้ตะบอกเห็บและหมัดแล้วว่าอย่ากัดแต่เขาไม่หยุดหนูกับครอบครัวก็เลยจัดการกับเห็บและหมัดหนูจะบาปไหมคะอ <c oughs> หนูทํามันด้วยความกลัวนี่ฮกลัวหมัดจะมาจับหนูมากัดหนูหนูก็เลยฆ่ามันซะก่อน ต่อไปก็ไปเป็นอสูรกายฝันกี่ชาติก็จะฝันแต่เรื่องมา้าเรื่องเห็บมากัดเราเนี่ยแคำถามจากคุณพีโกสวรรค์เป็นกามภพกามตัวนี้คือราคะใช่ไหมครับกามก็คืออรูปเสียงกลิ่นรสราคะคือความยินดีกามมาราคะ ค, คือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับกามตัญหาเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่าราคะกับการเสพเพศมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์การราคะโดยเฉพาะโดยตรงกับเพศตรงกันข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตามคือการอยากจะเสพผ่านทางร่างกายเราเรียกว่าการมาราคะการม า, าตัณหาเราพูดแบบทั่วไป เสบรูปเสียงกลิ่นรส ด, ดูหนังนี่ก็เป็นกามาตนะหาฟังคอนเสิร์ตนี่ก็เป็นกามะตนะหาไปกินเลี้ยงก็อากามะตัะหาทางปากทางลิ้นเนี่แต่ถ้าไปนอนกันนี่เขาเรียกว่ากามาราคะหรือจะเรียกว่ากามาตัะหาก็ได้เหมือนกันแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นกามาราคะเพื่อให้มันแยกออกว่าตัวนี้แรงกว่าตัวอื่นๆตัวกามาราคะนี่มันแรงกว่าตัวดูหนังฟังเพลงเนี ไม่ได้ดูหนังฟังเพลงกับไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนนี้มันต่างกันไหมความรู้สึกคะคำถามจากคุณป <c oughs> ันสวรรัสดการที่เราภาวนาให้จิตสงบนานขนาดไหนถึงจะออกมาพิจารณาทางปัญญาได้ถ้าจิตไม่สงบจริงๆก็ไม่สมควรออกมาพิจารณาทางปัญญ า, าเราจะรู้อย่างไร ได้ว่าจิตสงบมีกําลังมากพอถึงจะพิจารณาทางปัญญาได้ครับเราต้องชํานาญเราต้องสงบทั้งวันทั้งคืนเข้าเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ออกมาจากสมาธิก็ยังสงบอยู่ถ้าไม่สงบ ก, ก็กลับเข้าไปได้ทันทีถึงจะค่อยออกมาทางปัญญาให้ชํานาญก่อนให้เก่งทางสมาธิก่อนเหมือนคนขับรถนี่ให้เก่งก่อนก่อนที่จะไปแข่งกับเขา ขับรถยังไม่เก่งอย่าไปแข่งเลยเดี๋ยวความเดี๋ยวโชนกันตายเอก่อนที่จะไปแข่งรถนี่เขาต้องหัดขับให้เก่งให้เหมือนคนก่อนที่เราจะไปได้ใบขับขี่นี่เจ้าหน้าที่ที่เขาให้ใบขับขี่เขาจะต้องมาดูว่าเราขับเก่งหรือยังเอขับรถได้กลับรถได้เปล่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เปล่าจอดสี่แยกไฟแดงได้หรือเปล่าอพอเขารู้ว่าเราทําได้ชํานาญแล้วเขาถึงจะออกใบขับขี่ให้ อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะออกไปทางปัญญาก็ต้องให้ชํานาญทางสมาธิก่อนต้องไม่มีปัญหากับเรื่องการปฏิบัติสมาธิพูดงา่ายๆสมาธินี้อยู่ในกํามือเราแล้ ว, ลวต้องการจะนั่งให้สงบเมื่อไหร่นั่งปุ๊บห้านาทีก็สงบปั๊บเนี่ยอย่างแล้วก็สงบอยู่เรื่อยๆทั้งวันอันนี้แหละถึงจะออกไปทางปัญญาได้คงถามจากคุณแบงค์ ผมฝันเห็นพระอริยเจ้าหลายองค์บางครั้งในฝันท่านก็มาดีบางครั้งท่านก็มาร้ายเหมือนจะดุแบบนี้มันเป็นสัญญาหรือว่าท่านจะมาเตือนครับก็ไม่แน่ความฝันมันเป็นสองอย่างเป็นความฝันเกิดจากความคิดของเราเองความฝันที่ท่านมาเองก็มีมีสองแบบก็เรียกวนิมิตในกับ น, นิมิตนอกนิมิตในก็คือเราปรุงแต่งขึ้นมา นิมิตนอ ก, ก็คือท่านเข้ามาหาเราคำถามจากคุณการผมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธแต่จิตก็มาแวบคิดโน่นนี่แต่พอคิดถึงคําสอนเห็นภาพพระอาจารย์ไปด้วยก็จะไม่แว บ, บถึงเรื่องอื่นอย่างนี้ได้ไหมครับ <S <S ก็ยังแว บ, บถึงภาพเราอยู่มันก็ยังไม่ได้ะมันต้องกลับไปที่ลมหายใจแล้วกลับไปที่พุทโธเอ คำ ถ, ถามจากคุณแพรการทานมังสวิรัตมีผลกับชีวิตอย่างไรคะก็เป็นเหมือนวัวควายไงมีผลเหมือนกันเหมือนกับวัวควายวัวควายมันก็กินมังสวิรัตเหมือนกันคำ ถ, ถามจากคุณชวนการที่เราฝันว่าเจอคนนั้นเจอคนนี้ที่เราเคยรู้จักในอดีตและมีการสนทนากันในความฝันถือว่าจิตเราปรุงแต่งขึ้นมาเอง หรือจิตของเขากับจิตของเรามาเจอกันในความฝันและสนทนากันจริงๆขอรับก็อยู่ที่เราพิสูจน์สิ่งที่คุยกันได้แร้วเปล่าท่นก็บอกเขาลืมเงินไว้ในตู้หรือในในลิ้นชักที่ไหนคุณลองไปเปิดดูซิว่า ม, มีตามที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเขามีก็แสดงว่าเขามาจริงแต่ถ้าไปเปิดดูแล้วไม่มีสักใบก็เราคิดไปเราฝันไป คำถามจากคุณประพัดสอนการที่เราเก็บคําพูดของคนที่พูดให้เราพูดว่าเราในทางไม่ดีแล้วเราเก็บเอาคําพูดเขามาคิดต่อการที่เราเก็บมาคิดนั้นจะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าใจเราสุขหรือทุกข์ถ้าใจเราทุกข์มันก็เป็นจะเรียกว่าบาป ก, ก็ได้คือมันทําให้เราทุกข์ถ้าไม่ทุกข์คิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันทุกข์ก็อยากคิดดีกว่า คำถามจากคุณโชคโทนตอนแรกตั้งใจไว้ปฏิบัติแค่เกาะกระแสรพระนิพพานเท่านั้นไม่ยึดติดความตายไม่สงสัยในธรรมมีสี่ห้าปกติแต่ทำไมปัจจุบันเจอความทุกข์เรื่องไม่ได้เสพกามราคะจึงทำให้ความทุกข์มีความหงุ่นอิดใจก็เพราะว่ามันต้องมันยังอยู่ในใจเราไงคือกามราคะ <Yeah. S 2> พอเป็นโสดาบันแล้วมันก็จะมาทุกข์กับการมาราคะมันก็จะต้องแก้มันก็ต้องใช้อสุภะเป็นวิธีแก้พอเห็นสิ่งที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยกลายเป็นซากศพไปกลายเป็นอวัยวะต่างๆไปเราก็จะพงะงายกลับขึ้นมา ท, ทันทีเ mm hmm. ตือนขึ้นมาจากความฝันทันดีคิดว่าจะไปนอนกับนางฟ้าที่ไหนได้กำลังจะไปนอนกับซากศพนี่ มันก็กำจัดการมาราคาได้คำถามจากคุณพัฒพัฒน์ปัญญาอบรมสมาธิกับสมาธิอบรมปัญญาต้องมีสมาธิต่างกันตรงไหนคะคือถ้าต้นถ้ายังไม่มีสมาธิก็สามารถสร้างสมาธิได้สองวิธีวิธีเพ่งวิธีบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้อันนี้เรียกว่าวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือ เวลานั่งสมาธิแล้วใจยังไปคิดถึงแฟนอยู่ก็ให้พิจารณาอสุภาพไปก่อนพอพิจารณาสุภาพการมาราคะที่ทำให้ใจไม่สงบมันก็หายไปใจก็กลับมาสงบมาเพ่งดูลมหายใจต่อได้คำถามข้อสอง <c oughs> กราบขอวิธีแก้มิจฉาสมาธิฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆ แล้วมิจฉาทิฏฐิต่างๆก็จะหายไปหมดหายไปในระดับการการศึกษาแต่ยังไม่หายแบบถอนรากถอนโคนแต่อยากจให้หายแบบถอนรากถอนโคนก็ต้องเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติอีกทีหนึง่งคำถามจากคุณทวัชชัยอาหารแห้งที่ไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลต่างๆ สามารถเอาไปถวายพระสงฆ์ต่อได้ไหมครับได้แต่ทําเขาไม่นิยมทํากันเพราะว่าเอากําไรสองต่อไหนจะเอาให้บรรพบุรุษแล้วแล้วยังจะไปถวายให้กับพระสงฆ์อีกก็ไม่นิยมถ้าจะของไหว้ก็ไหว้ไปของที่จะใส่บาตรก็ใส่บาตรไปยาตณีอยเอายิงนกสองตัวเอากระสุนนัดเดียวนยะไม่ได้ยาบุญสองต่อไม่ได้น ความจริงไม่ได้บุญดอกการเอาของไปไหว้บรรพบุรุษเพราะบรรพบุรุษก็กินไม่ได้ของเหล่านั้นถ้าอยากใช้บรรพบุรุษกินได้เอาของที่จะไหว้ไปใส่บาตรเลยไม่ต้องไปไวหว้เสียเวลาแล้วก็เอาบุญที่ได้จากการใส่บาตรนี้อุทิศให้กับบรรพบุรุษได้คําถามจากคุณทนิตการรักษาใจให้เป็นกลาง มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรคะง่ายๆให้พุทธโทรไปเรื่อยๆให้นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบก็เป็นอุเบกขาขึ้นมาคำถามจากคุณต้องตาพ่อของโยมป่วยบ่อยๆป่วยป่ว ย, ว ย, ว ย, วยหายแล้วก็ป่วยอีกอาจจะเป็นวิบากของท่านไหมคะหากพาท่านรักษาศีลเจริญภาวนาอาิสงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมเจ้าคะเรื่องทางร่างกายนี้มัน มันแก้ในปัจจุบันไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่เกิดกับร่างกายมันมีเหตุมาจากอดีตเหตุที่เราทําในวันนี้ที่เกี่ยวกับร่างกายมันจะส่งผลในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันมันแล้วแต่ว่าเหตุที่เราทํานี่มันมันมีกําลังมากหรือน้อยถ้ามีกําลังมากอาจจะช่วยได้ก็ได้อาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแก้ใน อย่าไปหวังอะไรมันมากเพราะว่าร่างกายมันมีแต่จะเสื่อมลงไปมินจะจะเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆตามวัยของมันไม่ว่าเราจะทำไงกับร่างกายในตอนนี้มันแก้ไม่ค่อยได้หรอกแก้ได้ก็อนาคตอย่าทำบาปรลดการกระทำบาปให้น้อยลงเพราะว่าส่วนหนึ่งของที่ร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เพราะเกิดจากการทำบาปในอดีตชาตินั่นเอง ถ้าเราไม่อยากให้ร่างกายในชาติหน้ามีอาการแบบนี้เราก็ต้องลดการกระทาบาปในชาตินี้ให้น้อยลงไปคำถามจากคุณชนิดาคนอื่นเอาของแก้บนมาให้เราเราทำกับข้าวไปถวายพระได้ไหมเจ้คะได้ไม่มีปัญหาเลยคำถามจากแม่นกจิบจิบวันพระไม่ได้ไปทำบุญที่วัดแต่ซื้ออาหารให้แม่ ไปให้แม่ทานสวดมนต์ภาวนาแบบนี้คือบุญเหมือนกันใช่ไหมคะเออเหมือนกันคำถามจากคุณมิ้นการกินเนื้อวัวผิดบ้างไหมคะบางคนทําไมถึงละเว้นการกินเนื้อวัวเนื้อวัวนี่ถ้ามันเรากินถ้ามันเป็นเนื้อตายแล้วเอามากินเราไม่มีเราไม่บาปแต่ถ้าเราไปข้าเนื้อวัวมากินนี้บาป ถ้าอยากจะกินเนื้อวัวไปกินของที่มันตายแล้วไม่บาป ก, การที่คนก็ไม่กินเนื้อวัวกันเพราะเขาเห็นว่าวัวนี้มีคุณค่ามีพระคุณเพราะสมัยก่อนเราใช้อาศัยวัวควายมาทางาน เ, าเป็นเหมือนลูกจ้างาทาไร้ไถนาต้องใช้วัวควายก็เหมือนกับลูกจ้างเราก็ไม่ฆ่าลูกจ้างเพื่อเอาเนื้อมันมากินฉันใดเราก็ไม่ฆ่าวัวที่จะเอาเนื้อของมากิน คำถามจากคุณชวนเห็นเห็นคนเจออุบัติเหตุร้ายแรงแต่ไม่เป็นอะไรเลยไม่บาดเจ็บเลยแต่คนอื่นกลับตายหรือบาดเจ็บสาหัสเขาว่าเขารอดได้เพราะพระเครื่องที่เขาแขวนไว้ที่คอทำให้เขาคลาดแคล้วเป็นสิ่งที่เราเชื่อได้อย่างไรว่าจริงก็มันมีหลายเหตุเนี่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุอันไหนเหตุอันหนึ่งก็ือยังไม่ถึงข่าวมันก็ไม่เป็นอะไร ไม่ถึงขาวเจ็บมันก็ไม่เจ็บหรือ ว, ว่ามันเป็นเพราะพักเครื่องก็แล้วแต่คำถามจากคุณสุกุงหากชาตินี้เราต้องใช้ชีวิตปกติแต่ลึกๆใจเราปรารถนาความสุขสงบควรปฏิบัติตัวยอย่างไรเจ้าคะก็ไปบวชนะคำถามจากคุณโหน่แต้วลืมแฟนเก่าไม่ได้ ไปปฏิบัต Spain, ิธรรมก็ลืมไม่ได้แบบนี้จะบาปไหมเจ้าค้าพระใจไม่นิ่งก็เนี่ยแหละมันเป็นอุปสรรคเขารว่านิวรจึงต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิต้องพิจารณาสุภาษิดถึงแฟนทีไรก็คิดถึงอาการที่ไม่สวยงามของแฟนแล้วมันก็จะได้เลิกคิดหมนแล้วเหลออยากให้อีกคําถามของอาจารย์จากคุณแบงค์ค่ะผมอุทิศบุญกุศลจากการสวดมนต์ภาวนาให้กับพี่ชายที่ค่าตัวตาย เขาจะได้รับไหมครับไม่ได้หรอกว่าบุญที่เราสวดมันยังไม่เป็นบุญการสวดนี้ยังไม่ได้เป็นบุญเป็นการสร้างบุญอยู่อยากจะอุทิศบุญเอาไปทำบุญใส่บาตรบริจาคเงินทองให้กับใครก็ได้อั น, นั้นก็จะเกิดบุญขึ้นมาทันทีแล้วก็อุทิศบุญนั้นได้ส่วนเขาจะรับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เขารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็ไม่ได้รับอยู่ดีหมแล้วใช่ไม